ดับอวิชชาเพิกถอนอวิชชาเนี่ยนะเปรียบเหมือนแสงสว่างขจัดความมืดถ้าดับอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้แจ้งไม่แทงตลอดในอริยศัสี่เนี่ยนะดับวิชชาโดยทำอรหัตธรรมควิชชาให้เกิดขึ้นได้ถ้าดับอวิชชาหมดสังขารก็ดับถ้าดับสังขารได้วิญญาณก็ดับถ้าดับวิญญาณได้นามรูปก็ดับถ้าดับนามรูปได้สลายตนะก็ดับถ้าดับสลายตนะได้ ภาษาก็ดับถ้าดับภาษาได้เวทนาก็ดับถ้าดับเวทนาได้ตัณหาก็ดับถ้าดับตัณหาได้อุปาทานก็ดับถ้าดับอุปาทานได้ภพก็ดับถ้าดับภพได้ชาติก็ดับถ้าดับชาติได้ชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาตก็ดับเพราะฉะนั้นถ้าดับอวิชชาได้อย่างเดียวเนี่ยนะความดับแห่งกองทุกทั้งมวลก็จะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นขจัดความไม่รู้สร้างความรู้ให้เกิดเนี่ยจึงเป็น ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาวิชาเนี่ยนะก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอวิชาวิชานี่แหละเรียกว่าสัมมาทิฐิเนี่ยนะเรียกว่าญาณนะเรียกว่าปัญญาเรียกว่าความรู้ถ้ามีปัญญาดับความไม่รู้ได้นะก็จะดับกรรมได้ถ้าดับกรรมได้ก็ดับวิญญาณดับนามโรบสลายตระหนักรสเวทนาเป็นต้นไปโดยลําดับเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างวิชาเพื่อดับอวิชาเนี่ยนะแต่ว่าอาวิชากับวิชาวิชาเปรียบเหมือนความมืด ถ้าความมืดเกิดขึ้นแปลว่าดับแสงสว่างดับความสว่างถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นก็ชื่อว่าดับความมืดปัญญานี่เปรียบเหมือนแสงสว่างขจัดอวิชชาคือความมืดเนี่ยนะถ้าอารหัตตมัคควิชชาเกิดขึ้นดับอวิชชาทั้งปวงก็สามารถทำที่สุดแห่งกองทุก์ได้อย่างนี้แหละเอาทีนี้พงษ์ก็เผืนว่าเอามาถามเออถามจริงๆเหอะชาติเนี่ยมันดับก็เพราะว่าดับชรามรณะคือหมายาว่าถ้าดับชาติได้เนี่ยนะ ชรามรณะก็ต้องดับแล้วเราก็ยังพูดอีกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าดับชาติได้ชรามรณะก็ดับในข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือมันเป็นอย่างไรถ้าดับชาติได้เนี่ยต้องดับชรามรณะได้ใช่ไหมภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าถ้าดับชาติได้ชรามรณะก็ดับข้อนี้เป็นอย่างนี้แหลยใช่ละถูกต้องถ้าไม่เกิดได้มันก็ไม่แก่ไม่ตายนะถ้าดับความเกิดได้ถ้าไม่ปฏิสนธิถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่ตายเนี่ยนะถ้ามเมล็ดพันธุ์อย่างสมมติว่า สมัยใหม่เขามีไอ้ไมยราบยักษ์ะนะไมยราบยักษ์ที่มันเป็นพืชที่ไม่ไม่พึงประสงค์เนี่ยถ้าไม่มีมเมล็ดพืชหรือว่ามเมล็ดพืชเน่าหมดแล้วเนี่ยเมล็ดพืชชนิดนั้น เ, น, น, น, เ น, น, น, น่าหมดจะต้องไปถางป่าไมายราบแบบนั้นไหมไม่ต้องเพราะก็แสดงว่าอยู่ที่มเมล็ดพันธุ์พืชปฏิสนธิหรือการเกิดเปรียบเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์พืชถ้าไม่ปฏิสนธิในคันในไข่ในเท่ากลายแล้โอปปาติกะสัอย่างเดียวจะมีชราและมรณะตามที่นั้นๆได้ไหม อย่างที่พรงษ์บอกว่าถ้าไม่เกิดในนรกเนี่ยนะชรามรณะของสัตว์นรกจะมีไหมอย่างสมมติถ้าเราไม่ปฏิสนธิในในเปรตเนี่ยนะชรามรณะของเปรตของพวกเราจะมีไหมไม่มีถ้าเราไม่ปฏิสนธิในเดรชานชรามรณะของเหล่าเดรชาน์จะมีได้ไหมถ้าไม่ปฏิสนธิในภพทั้งหลายแหละเนี่ยนะชรามรณะจักมีในภพเป็นต้นได้ไหมเพราะแล้วจริง Sh ๆแล้วถ้าดับชาติได้ดับชรามรณะได้จริงหรือข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละไม่เป็นอย่างอื่นได้เรา ถ้าดับความเกิดได้ก็ต้องดับความแก่ได้เนี่ยนะดับความแก่และความตายได้ถ้าข้อว่าถ้าดับกรรมได้เนี่ยการเกิดก็ดับใช่ไหมแล้วเรากล่าวว่าพิสูนทั้งหลายเพราะดับกรรมได้คือดับกรรมมาพบได้ชาติจึงดับข้อนี้เป็นอย่างนี้นี้หรือว่ามันเป็นอย่างไรบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะดับพบได้ชาติก็ดับข้อนี้เป็นอย่างนี้แหลบอกแน่นอนจ้ะ แน่นอนถูกต้องว่าถ้าดับพบได้จริงก็ต้องดับการเกิดได้ถ้าดับกดับกรรมพบได้จริงเนี่ยนะดับกรรมพบดั บ, บอ ands, ุป <osaic Obviously. S 1> ัติพบได้จริงเนี่ยนะการเกิดมันก็มีไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นก็ข้อว่าถ้าดับอุปาทานได้พบก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวว่าพิสูจนทั้งหลายเพราะดับอุปาทานได้นั่นแหลพบจึงดับข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือว่าเป็นอย่างไร ถ้าดับอุปาทานได้จริงๆเพิกถอนอุปาทานได้จริงๆถอนอุปาทานเผาอุปาทานเนี่ยนะชื้อเฉือนอุปาทานทิ้งไปได้พบก็ดับเป็นต้นใช่ไหมบอกแน่นอนบางั้นเถอะถูกต้องถ้าอุปาทานดับพบก็ดับข้อนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นหรอก ข้อว่าถ้าดับตันหาได้ Walker, หรือว่าเพราะดับตันหาได้อุปาทานก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวว่าดูก่อนภิกษูตรทั้งหลายเพราะดับตันหาได้นั่นแลอุปาทานก็ดับถ้าเราไม่เพลิดเพลินกับสิ <ok so ่งใดเราจะยึดถือสิ bon ่งนั้นไหมถ้าดับความเพลิดเพลินได้สําเร็จแล้วจกยึดถือสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นได้ไหมเพราะถ้าดับตันหาได้อุปาทานก็ดับข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือว่ามันเป็นอย่างไร พระเจ้าข้าว่า ง, งั้นข่าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะถ้าดับตัณหาได้สําเร็จเนี่ยนะอุปาทานก็ดับข้อนี้เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นหรอกถ้าดับตัณหาได้อุปาทานก็ดับอย่างจริงๆริงแท้ๆเลยแหละข้อว่าถ้าดับผัสสะได้เวทนาก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วพิกษุทั้งหลายเพราะว่าถ้าดับผัสสะดังนี้แหละเวทนาก็ดับข้อนี้เป็นอย่าง น, นี้นี้หรือว่ามันเป็นอย่างไร พระเจ้าข่าวว่างั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าดับภาษะได้จริงเวทนาก็ดับข้อนี้เป็นอย่างนี้แหลข้อนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นหรอกถ้าดับภาษาได้ยังไงมันก็ต้องดับเวทนาได้ถ้าดับสลายตนะได้ก็ดับภาษาได้เห็นไหมเพราะถ้าดับสลายตนะได้จริงภาษามันก็ต้องดับเรากล่าวอีกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าดับสลายตนะนั่นแหลได้ภาษะก็ดับดังนี้เนี่ย ข้อนี้จริงๆเป็นอย่างนี้หรือว่ามันเป็นอย่างไรพิสูจนทั้งหลายก็บอกข้าแต่พระองค์พู้เจริญถ้าดับสลายตนะได้ภาษาก็ดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้แหละในข้อนี้เป็นอย่างนี้เลยมันไม่เป็นอย่างอื่นหรอกแน่นอนอ่ะนะถ้าดับอายตนะได้จริงถ้าดับตาได้จะมีภาษาทางตามไม่ถ้าดับหูได้จะดับภาษาทางหูได้ไหมมันก็ดับได้อย่างแน่นอนนะ่ยนะถ้าดับนามรูปได้ก็เท่ากับดับสลายตนะยาะง ถ้าดับนามรูปดับมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเนี่ยนะถ้าดับปฏิสนธิถ้าดับเวทนาสัญญาสังขารได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดับเพราะฉะนั้นเรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะดับนามรูปได้นั้นแลสลายตนะก็ดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้นี้หรือหรือว่าเป็นอย่างอื่นหรือเป็นอย่างไร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะถ้าหากว่าดับนามรูปได้อายตนะก็ดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้แลนะเอาถ้าถ้าดับวิญญาณได้ก็ดับนามรูปได้ใช่ไหมถ้าดับวิญญาณได้นามรูปก็ดับใช่ไหมเราก็กล่าวอีกว่าเพราะดับวิญญาณได้นั่นแหลนามรูปจึงดับข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะถ้าดับวิญญาณได้นามรูปก็ดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้แล ถูกต้องแล้วถ้าดับวิญญาณได้นามรูปก็ต้องดับอย่างแน่นอนก็ข้อว่าถ้าดับสังขารได้วิญญาณก็ดับดังนี้เรากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายถ้าดับสังขารได้นั่นแหลวิญญาณก็ดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือว่ามันเป็นอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าดับสังขารได้วิญญาณก็ดับข้อนี้เป็นอย่างนี้เลยถูกต้องมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าดับสังขารได้แล้วปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นจะมาจากไหน ถ้าดับอวิชชาได้สังขารก็ดับใช่ไหมถ้าดับอวิชชาด้วยอรหัตตะมเกิดขึ้นได้อย่างสำเร็จเนี่ยนะแล้วเราก็บอกเอกว่าพิสูจนทั้งหลายอาวิชชาหรือดับอวิชชาได้นั่นแลสังขารจึงดับข้อนี้เป็นอย่างนั้นหรือหรือว่าเป็นอย่างไรคือถ้าดับสังขารได้จริงๆเนี่ยนะขอไปถ้าดับอวิชชาได้จริงๆอ่ะสังขารก็ต้องดับอย่างแน่นอนใช่ไหม ถ้าแต่พระองค์พูดเจริญถ้าดับอวิชชาได้สังขารก็ดับข้อนี้เป็นอย่างนี้แหลข้อที่กล่าวนั้นนะถูกแล้วพิสูจนทั้งหลายสาทุข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละแน่นอนเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้เธอก็กล่าวอย่างนี้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ที่พวกเธอพูดมาถูกต้องทั้งหมดนะแม้เราก็ยังพูดอย่างนี้บอกว่าถ้าสิ่งนี้ไม่มีคือถ้าอาวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีถ้าดับสังขารได้ เอเข้อไปถ้าดับอวิชชาได้สังขารก็ดับเพราะหลักการก็มีว่าถ้าดับอวิชชาได้สังขารก็ดับถ้าดับสังขารได้วิญญาณก็ดับถ้าดับวิญญาณได้นามรูปก็ดับถ้าดับนามรูปได้สลายยตนะก็ดับถ้าดับสลายยตนะได้ภาษาก็ดับถ้าดับภาษะได้เวทนาก็ดับถ้าดับเวทนาได้ตัณหาก็ดับถ้าดับตัณหาได้อุปาทานก็ดับถ้าดับอุปาทานได้พบก็ดับถ้าดับพบได้ชาติก็ดับถดับชาติได้ ชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับของวัตทุกเนี่ยนะก็มีด้วยประการอย่างนี้แหละไอ้คําว่าดับนี่เป็นชื่อของนิพพานทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาพูดแสดงแต่เหตุเกิดกับความดับใช่ไหมเหตุเกิดของทุกข์กับความดับทุกข์ไอ้การดับทุกข์เนี่ยมันต้องดับด้วยข้อปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยนะใจความทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วก็เท่ากับแสดงอะไร ชารามรณนะเหตุให้เกิดชารามรณนะความดับชารามรณนะและข้อปฏิบัติเพื่อความดับชารามรณนะชาติเหตุให้เกิดชาติความดับชาติแล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชาติเนี่ยนะอุปาพบเหตุให้เกิดพบความดับพบข้อปฏิบัติให้ถึงความดับพบอุปาทานเหตุให้เกิดอุปาทานความดับอุปาทานและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ อปาทานเนี่ยนะตัณหาเหตุให้เกิดตัณหาความดับตัณหาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหาเวทนาเหตุให้เกิดเวทนาความดับเวทนาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนานนะอ่าผัสสะเนี่ยนะเหตุให้เกิดผัสสะความดับผัสสะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะสลายตนะเหตุให้เกิดสลายตนะความดับสลายตนะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ สลายตระหนนี่นะนามรูปเหตุให้เกิดนามรูปความดับนามรูปและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูปวิญญาณเหตุให้เกิดวิญญาณความดับวิญญาณและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณแล้วก็สังขารเหตุให้เกิดสังขารความดับสังขารข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารอวิชชาเหตุให้เกิดอวิชชาความดับอวิชชาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ อวิชชาอย่างนี้แหละผู้มีปัญญาอย่างนี้เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิรู้เหตุเกิดของวัตรู้ความดับของวัตรู้วิธีปฏิบัติจึงจะดับวัตะได้อย่างสำเร็จเนี่ยนะั้นก็เป็นการประกาศสัจจะทั้งสี่ประการนนะ ไอ้อย่างนี้แหละที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิตอนต้นเนี่ยปฏิเสธมิจฉาทิฏฐิใช้สาติภิกษุเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้นํามาเพื่อการรู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสเตถ้าหากว่าเธอเห็นว่า น, นี้เป็นขัน 5, ห้าเหตุได้เกิดขันห้าความดับขันห้าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับขันห้าและขันห้าก็เกิดจากอาหารอาหารก็เกิดจากตัณหาตัณหาก็เกิดจากเวทนาเวทนาก็เกิดจาก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 ตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรา ม, มรณะโสกปริเทวะทุกขโทโมนัตและอุปาญาตวัตถุทุกมันเป็นไปอย่างนี้แหละกองทุกทั้งมวลล้วนๆมันไหลไปอย่างนี้แล้วเธอเห็นว่าใครมาเที่ยงมายั่งยืนในสิ่งเหล่านี้ล่ะไม่มีมีแต่ว่าสังขารธรรมทั้งหลายไหลไปตามเหตุและปัจจัยทั้งหลายทีนี้ถ้าเห็นว่าเห็น ชรามรณะนี่มันมีโทษเหลือเกินถ้าจะดับชรามรณะได้ก็ต้องดับชาติได้ถ้าจะดับชาติได้ก็ต้องดับภพให้ได้ถ้าดับภพได้ก็ต้องดับอุปาทานได้ถ้าจะดับอุปาทานได้ก็ต้องดับตัณหาถ้าจะดับตัณหาได้ก็ต้องดับเวทนาถ้าจะดับเวทนาก็ต้องดับพัสสะถ้าจะดับพัสสะก็ต้องดับนามรูปถ้าจะดับนามรูปก็ต้องดับสลายตนะถ้าจะดับสลายตนะก็ต้องดับนามรูปถ้าจะดับนามรูปได้ก็ต้องดับ วิญญาณถ้าจะดับวิญญาณได้ก็ต้องดับสังขารถ้าจะดับสังขารได้ก็ต้องดับอวิชชาอาวิชชาจะดับด้วยอรหัตตมรัคษอรหัตตมรักเนี่ยนะถ้าไม่ปฏิบัติไปตามลําดับอรหัตตมรักษจะเกิดโดดโดดขึ้นมาได้ไหมมันคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องศิกขาสามเนี่ยนะ